วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมพุทธศักราชสอง3นห้ากสาเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพราะธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการมาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเป้าหมายของชาวพุทธเราเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นสถาบันการศึกษานั่นเอง การเข้าหารพระพุทธศาสนาการเข้าวัดก็เพื่อที่จะมาศึกษาพระธรรมคำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามาวัดแล้วไม่มาศึกษาไม่มาฟังเทศน์ฟังธรรมเช่นบางท่านไปวัดเพียงแต่ไปกราบพระจุดธูปเทียนสามดอก แล้วก็ขอพอรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าไปไม่ถึงวัดเหมือนกับนักเรียนที่ไปโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียนไปที่หน้าห้องเรียนแล้วก็จุดทูบเทียนสามดอกไหว้เสร็จก็หนีไปเที่ยวกันเ <c oughs> <c oughs> นี่ยถ้าไปเรียนแบบนี้ เรียนกี่ปีกี่ชาติก็เรียนไม่จบพลกเราถ้าเข้าวัดแบบนี้ก็เข้าไม่ถึงพระพุทธศาสนาไม่ถึงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ถึงความจริงอันประเสริฐที่เรียกว่าพระอริยสัจสัจจะทำความจริงของชีวิตของพวกเรา ถ้าเข้าไม่ถึงพวกเราก็จะเป็นคนโง่ไปเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเด็กนักเรียนที่หนีโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วก็ไม่เข้าห้องเรียนเรียนกี่ปีก็เรียนไม่จบชาวพุทธเราที่เข้าวัดแบบนี้ก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา การจะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้ต้องศึกษาต้องเล่าเรียนคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ก็มีสามแหล่งด้วยกันคือจากพระพุทธเจ้าโดยตรงจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีบันทึกจดจำเอาไว้ในพระไตรปิฎกและสามจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี่คือแหล่งที่ให้ความรู้ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาแก่ผู้ที่อยากจะได้ความรู้เพราะความรู้ของพระพุทธศาสนา มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะมีคุณค่ามาหาศาลมากน้อยเพียงไรก็สู้คุณค่ามาหาศาลของพระธรรมคำสั่งคำสอนไม่ได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ถึงแม้จะมีคุณค่ามาหาศาลมากบายเท่าไหร่ก็ตาม ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้มีเพียงความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งหลาย ให้หมดสิ้นไปได้อย่างราบคาบอย่างถาวรจึงถือว่าเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามาหาศาลความรู้ที่มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้ได้จบ ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกได้คะแนนเกียรตินิยมความรู้ที่ได้เรียนรู้นี้ก็ยังไม่สามารถที่จะพาให้ผู้รู้นี้รอดพ้นจากความทุกข์ของใจได้นี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และของผู้ที่ให้ความรู้อันนี้คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกเราจึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ว่าพระ ร, รัตนไตรรัตน์แปลว่าของมีคุณค่าอัญญมนีที่มีคุณค่าเช่นเพชรนินจินดาเนื่องจากว่า เราไม่สามารถหาสิ่งที่มาเปรียบเทียบคุณค่าของพระพุทธธรรมประสงได้เราจึงต้องเอาของที่มีคุณค่ามากที่สุดที่มีอยู่ในโลกนี้มาเปรียบเทียบมาใช้ให้เราได้เห็นภาพถึงคุณค่าของพระพุทธธรรมประสงความจริงพระรตาตรานะตรนี้มีคุณค่ามากยิ่งกว่า เพชรนินจินดาที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดต่อให้ขุดพบเพชรเนินจินดามามากน้อยเพียงไรมารวบรวมกันไว้มากองเท่าภูเขาคุณค่าราคาของเพชรเนินจินดาเหล่านี้ก็ซื้อคุณค่าราคาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เพราะเพชรเนินจินดากองเท่าภูเขา ก็ไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้แต่เป็นนินจินดาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ดับความทุกข์ใจได้พระพุทธเจ้าทรงดับความทุกข์พระใจของพระองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้เอาความรู้วิธีการดับความทุกข์นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไป ผู้ที่ไม่รู้พอได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถกำจัดความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้เลยบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาตามลำดับจากยุคในยุคในพุทธกาลมาจนถึงยุคปัจจุบันยังมีการถ่ายทอดพระธรรมคำสั่งคำสอนอยู่เรื่อยๆด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาแล้วก็น้อมนำอาไปปฏิบัติ เมื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปแล้วก็มาทำหน้าที่เผยแพ่ธรรมะต่อไปนี่แหละคือขบวนการของการอนุรักษ์รักษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่กับโลกไปยาวนานเพื่อให้เป็นที่พึ่งของโลกเพื่อที่จะช่วยสอนให้ผู้ที่มีความทุกข์ใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจเหล่านั้นไปถ้ากาศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วจัตโลกนี้จะไม่สามารถ ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนได้เลยถ้าดับก็ดับเป็นแบบชั่วคราวดับแบบเป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราใช้น้ํามันเทละลงไปในกองไฟเวลาที่เราเทน้ํามันลงไปในกองไฟใหม่ๆน้ํามันยังไม่ร้อน ก็จะก็ทำให้ไฟที่ลุกอยู่นั้น เ, เบาบางลงหรือสงบตัวลงชั่วคราวพอน้ำมันที่ได้สัมผัสกับไฟร้อนขึ้นมาทีนี้ก็ทำให้ลุกขึ้นมาใหญ่กว่ากองไฟอันเดิมนี่คือลักษณะของการแก้ปัญหาความทุกข์ใจของ ผู้ที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนจะแก้โดยวิธีแบบนี้แก้โดยวิธีราดน้ำมันลงไปในกองไฟทำให้กองไฟนี้ทําท่าจะดับไปชั่วคราวเดี๋ยวพอน้ำมันนั้นร้อนขึ้นมาก็จะประทุกเป็นไฟขึ้นมาใหม่ และมีความรุนแรงมากกว่าเก่านี่คือวิธีการของการแก้ปัญหาของความทุกข์ของสัตว์โลกที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้สั่งผู้สอนความทุกข์ของสัตว์โลกจึงไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดมีแต่จะทวีคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือ เรื่องราวของพวกเราพวงเรานี้แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ด้วยการเพิ่มความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวแทนที่จะลดความทุกข์กับเพิ่มความทุกข์แทนที่จะตัดภพตัดชาติกับเพิ่มภพเพิ่มชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะเราขาด ความรู้ของพระพุทธศาสนาคือพระอริยสัจสี่นี่เองที่ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนว่าความทุกข์ของพวกเราภบชาติของพวกเราเกิดจากความอยากคือกามะทันหาความอยากเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆภาวะทันหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นนี่คือตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจและตัวที่ตากดันให้ใจไปเกิดในใตพภคคือเกิดในกามะภบถ้ามีกามตัณหาไปเกิดในรูปภบถ้ามีภาวะตัณหา ไปเกิดในอรูปภพถ้ามีวิภาวะตัณหานี่คือตัวตัวการผู้ที่สร้างภพชาติให้กับพวกเราผู้ที่พาให้เราต้องมาทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้คือสามตัวนี้สามเกล อ, อ, อ สามกรุนี้มักจะไปพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าตัวไหนอาจจะเป็นตัวนำส่วนใหญ่ของพวกเรานี้ตัวนำก็คือตัวกามตัณหาคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสพุถพะชนิดต่างๆทางตาหูจมูกลินกายการที่จะทำให้ความทุกข์ดับความที่จะทำให้พบชาติสิ้นสุด ต้องหยุดสามตัวนี้ต้องทำลายสามตัวนี้คือกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวตัญหาเท่านั้นถ้าไม่ทำลายสามตัวนี้ไม่มีวันหายพบชาติไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์จะไม่มีวันหมดไปจากใจกเรา ตั้งแต่เกิดมาเราก็มีความทุกข์ใจมากันตั้งแต่วันเกิดแล้วแทนที่จะแก้ปัญหาด้วยการหยุดความอยากกันเรากับทาตามความอยากกันเช่นพอเกิดมาออกมาจากท้องแม่ก็ร้องร้องไห้แล้วก็ทุกข์แล้วเพราไม่หายใจก็เลยช่วยกันบังคับให้หายใจ มีภาวะตัณหาเกิดขึ้นแล้วมีความอยากมีชีวิตอยู่เกิดขึ้นอก็ต้องหายใจแทนที่จะหยุดหายใจไม่ยอมหยุดกันพยายามตะเกียกตะกายเล่นหาลมหายใจก็เลยทําให้อความทุกข์ดับไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากการ ไม่มีลมหายใจพอได้ลมหายใจความทุกข์นั้นก็หายไปออแล้วเดี๋ยวก็เกิดความหิวขึ้นมาก็ร้องร้องพ่อหรือแม่ก็ต้องหาของมาให้กิน อ, อิ่มแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ยินเสียงได้เห็นรูปออก็หาของเล่นมาให้เล่นร้ อ, อ, องถ้าไม่ถ้าไม่มีของดูของฟัง เจนตุกตาหรือของอะไรที่มีเสียงเด็กๆนี่เขาจะมีสมัยเด็กๆ เ, เขาจะมีปลาตะเพียนเคยเห็นไหอแขวนอยู่บนแปลนเวลาเด็กนอนหงายขึ้นไปแทนที่จะเห็นฟ้าเพดานว่างๆก็เห็นตัวปลาตะเพียนเอก็มีอะไรดูเพลิดเพลินหรือมีเสียงอะไรได้ยินเสียงลมพัดมันมันก็มีเสียงมีมีม มีกลิ่นมีอะไรทําให้มีเสียงได้ยินได้ฟังเสียงเนี่ยความอยากมันมีมาตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องสอนไม่ต้องสั่งมันมาเองร้องแสดงความอยากให้เรารู้พ่อแม่ก็รู้หาเสียงมาพอแม่แขวนอะไรมีเสียงให้ฟังหน่อยพอได้ยินเสียงก็หายลอง พอร้องอีกก็หารูปมาให้ดูหาปลาตะเพียนหาอะไรตกตาแขวนบนบนหน้าบนบนหน้าเปลพอเห็นก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่เป็นการดับความทุกขนะ์ใช่ไหเดี๋ยวอยากขึ้นมาอีกนะพอบางทีเห็นภาพเก่าๆ เ, เห็นของเก่าซ้ำๆเบือ่อ ได้ยินเสียงเก่าก็ร้องทีนี้ก็ต้องหาของใหม่มาให้เล่นอีกนี่คือความอยากการตอบสนองความอยากเพื่อดับความทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นการดับความอยากดับความทุกข์กลาเป็นการเพิ่มความอยากต่อความอยากให้มีมากขึ้นไปโบราณท่านทั้พูดว่าพอได้ครบก็อยากจะได้สอก ว่าได้สอกก็อยากจะได้วาอะไรพอโตขึ้นมาอันนี้ก็อยากจะได้ของเล่นมากขึ้นนะสิปาตะเพียนที่เคยเห็นในเปรเดี๋ยวนี้ไม่สนใจนะ อ, อ, อยากจะได้ตุ๊กตาที่กอดได้บางอยากจะได้รถที่วิ่งได้บ้างออมีของแปลกๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเออเด็กทุกคริสตมาสเนี่ยรอของขวัญกันนะ นราของขวัญต่างๆที่ได้เห็นในภาพหรือในภาพโฆษณาหรือได้เห็นจากเพื่อนฝูงเห็นจากรุ่นพี่เขามีกันพอเห็นแล้วก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาการอยากได้ของเหล่านี้ก็คือการอยากได้รูปเสียงของของเหล่านี้นั่นเองนี่คืกามาตัณหา เป็นตัวนำของพวกเราในในกามภพบในพวกเราตอนนี้เกิดอยู่ในกามภพบพบของผู้ที่มีความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนอกจากกามมาตัญหาเราก็มีภาวะตัญหาวิภวะตัญหาแต่มันเป็นตัวมาทีหลังตัวนำก็คือตัวเด่นก็คือกา ม, มาตัญหา ส่วนใหญ่ตัวกามตัณหานี่จะออกหน้าออกตาส่วนภาวะตัณหานี่ขึ้นอยู่กับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่มันก็จะเกิดขึ้นมาพอมีโอกาสได้เป็นนายกมันถึงจะเกิดความอยากเป็นนายกขึ้นมาตอนนี้ไม่มีโอกาสเป็นนายกก็เลยไม่มีใครคิดอยากจะเป็นนายกกันแต่พอรู้ว่ามีโอกาสน่าจะเป็นได้เนี่ยทีนี้ก็ ภาวะตันหาก็ตามมาแล้ว เ, ออเช่นมีร่ํารวยตำมากินร่ํารวยมีเงินเยอะออมีการเลือกตั้งทีนี้มีทางแล้วสิ อ, อ, อยากได้แล้ว เ, ออเป็นสสก่อนออซื้อเสียงก่อนมีเงินแล้วก็ซื้อเสียงออทางปูทางไปสู่การเป็นนายกใช่ไหมซื้อเสียงพอได้รับเลือกเป็นสสก็ซื้อสสอสิ เพื่อเอาให้มาเลือกตนให้เป็นนายกขึ้นมานะ ไ, ไ, ไอ้ตัวนี้มันตามมาทีหลังแต่ตัวที่มันทํามันเด่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ยที่ไหนเมื่อไหร่ก็คือกามาตัญหามันต้องมีรูปเสียงกลิ่นรวดไถ่เสพให้สัมผัสอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะมาในรูปแบบของอะไรก็ ของรูปภาพยนต์ของละครของสถานที่ท่องเที่ยวของกินของดื่มของใช้ของอะไรต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของการมาตัฐหาทั้งนั้นอันนี้มันจะทำงานเป็นเป็นตัวหลักในการสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราพวกเราเลยต้อง ตอบสนองมันเหมือนตอบสนองลูกเราเนี่ยเวลามันลูกร้องก็เอาล่ะสิมันต้องการอะไรวะต้องการของเล่นออของเล่นมาให้ต้องการของกินของกินมาให้เนี่ยเรามีลูกน้องอยู่ในใจเราคือกา ม, าาามตัญหาเดี๋ยวก็อยากจะดูนู่นเดี๋ยวก็อยากจะฟังนี่เดี๋ยวก็จะอยากจะไปนู่นมานี่ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่นอ เดี๋ยวก็อยากจะซื้อของซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าทั้งๆ ท, ที่มีเหลือมีเหลือเฟือมีเต็มโต๊ะเต็มบ้านยแล้วไม่มีที่เก็บแล้วแต่ความอยากมันไม่หมดอะมันกับพอไปเดินเที่ยวตามห้างร้านเดี๋ยวเห็นหนูน่นเห็นนี้ขึ้นมาอยากได้แล้วสิตัวนี้เป็นตัวนำกามาตันหา ส่วนภาวะตัณหานี่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ถ้ามีโอกาสมันก็เกิดขึ้นทำงานพอได้ทำงานนี้ก็มีโอกาสได้เป็นผู้จัดาการแล้วเี่เป็นหัวหน้าแล้วทีนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้ก็ต้องดินนน้นรนหาวิธีทำให้ศึกษาวิธีว่าการจะเป็นหัวหน้าทาอย่างไรก็ดำเนินการไป ส่วนตัววิภาวะตันหานี้มันมาเกิดตอนที่มีเหตุการณ์เช่นไปเจอความทุกข์ต่างๆวิภาวะตันหาก็จะเกิดไม่อยากทุกข์กันใช่ไหมความวิภาวะตันหาก็คือความไม่อยากทุกข์นี่เองภาวะตันหาก็คือความอยากสุกนี่เองเป็นหัวหน้าก็มีความสุขไม่ยากนะเป็นนายกก็มีความสุขเรียกว่าภาวะตันหา แต่พอไปเจอความทุกข์มันก็เกิดวิภาวะทุศนาขึ้นมาพอเกิดวิภาวะทุศนาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเจอเหตุการณ์ทุกข์แล้วยังต้องมาทุกข์ทางใจอีกเพราะอยากจะให้ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นหายไปหรืออยากจะหลุดออกจากเหตุการณ์นั้นแต่บางทีมันก็หลุดไม่ได้มันติดอยู่เช่นเวลาร่างกายเจ็บไายได้ป่วยอยากจะให้มันหายมันก็ไม่หาย ตอนนั้นก็เลยต้องทุกข์ใจขึ้นมาเลยเวลามันแก่ก็ไม่อยากให้มันแก่พอเห็นผมขาวเส้นเดียวมันก็ทุกข์ใจขึ้นมานะเือ <c oughs> เห็นตีนกาเนี่ยมันก็ <c oughs> กลัวเล้วเกินตีนกา <c oughs> มันบอกว่าเรามาเยี่ยมพวกเธอแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> เกิดวิภาวะตัณหาอยากจะหนีจากมันอยากจะให้มันหนีไปไม่อยากให้มันมาอยู่กับเราอ่นี่คือความทุกข์สามตัวนี้แทนที่จะหยุดความอยากมันมาก็มันมาสิเราก็เฉยเฉยไปไม่ได้ต้องแก้มันนะต้องซื้อยาย้อมผมกันแนละ้ต้องกไปทำสัญญกรรมหนะ่อยอนี่คือ ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแก้ก็แก้แบบชั่วคราวอา้าย้อมย้อมไปสิบห้าวันเดี๋ยวของใหม่ก็งอกออกมาปลายดำแต่ต้นขาวซะ <c oughs> เลยก็ต้องย้อมใหม่ก็ย้อมไปเรื่อยๆทำสัญญกรรมเดี๋ยวห้าปีสิบปีก็มาอีกแล้วก็ต้องทำใหม่ก็นี่ตาบใดที่มี ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้จะต้องเจอความทุกข์อยู่เรื่อยๆวิธีไปแก้ปัญหาง่ายๆพระพุทธเจ้าบอกว่าเ<ม>ฉยๆไปอย่าไปทำตามความอยากอยากไม่แก่ก็เวลามันแก่ก็เฉยๆไปมันก็จะไม่ทุกข์เนี่ยอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลามันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันก็ไม่ทุกข์เนี่ยหยุดความอยากเนยอยากไปอยากครับอย่าไปอยากกับความไม่อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อันนั้นเองแต่ทำไม่ได้กันเพราะไม่มีเครื่องมือขาดเครื่องมือการที่จะทาใจให้เฉยๆไม่ให้เกิดความอยากได้นี้ต้องมีการปฏิบัติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นทานศีลภาวนาขึ้นไปเลยขั้นทานก็คือพอมีเงินก็อยากจะซื้อนูน่นซื้อนี่ที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อ วิธีที่จะทําให้ใจเฉยๆกับความอยากซื้อนู่นซื้อนี่ก็เอาไปทําบุญนะทําเอาเงินให้มันหมดไปพอไม่มีเงินแล้วความอยากซื้อมันก็หายไปใช่ไหมความอยากไปเที่ยวก็หายไปเพราะอยากก็ไม่ได้ไปก็ไม่รู้ไปอยากมันทําไมพระพุทธเจ้าตึงสอนให้ทําทานเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆเพราะถ้าเอาไปใช้ตามความอยาก เดี๋ยวมันอยากม่อีกอยากได้กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเห็นรองเท้าก็อยากได้เดี๋ยวเห็นเสื้อผ้าก็อยากได้เดี๋ยวเห็นสร้อยเห็นเพชรเนี่ยเห็นแหวนเห็นต้มหูเห็นอะไรเห็นนาฬิกงนาฬิกา<ม>เห็นอะไรปั๊บถ้ามีเงินในกระเป๋านี่ความอยากได้มันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีเงินในกระเป๋าก็ <laughs> เฉยเฉยเฉยเฉยได้ ฉันต้องทำให้เงินนี้มันหายไปอย่ากเก็บไว้อยาให้มันอยู่ในกระเป๋าเราเอาไปทำทานเอาไปทำบุญทำทานนะแล้วได้ความสุขดีกว่าความสุขที่ได้จากการซื้อกระเป๋าซืออาซ้อรองเท้าซื้อข้าวซือ้อของการทำบุญทำทานนี้ได้ความสุขแบบอิ่มใจสุขใจการซือ้อของตามความอยากได้ความสุขแบบหิว ายแล้วไม่ไม่พออยากจะได้เพิ่มอีกไปเที่ยววันนี้เดี๋ยวเนี่ยไปเที่ยวมาห้าวันเนี่ยปีใหม่ทีนี้ก็จ้องไปที่ตุด จ, จีนแล้ว <c oughs> อยากจะไปตุดจีนแล้ถ้าไม่ไปเดี๋ยวพวกแอร์นี่ตกงานนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครขึ้นเครื่อง <c oughs> นะเนี่ยความอยากมันสนับสนุนกันลวกัน ลกแอพอมีงานทํามีเงินใช้ก็อยากไปซื้อข้าวซื้อของเนี้ยมันก็สนับสนุนในคนขายของมีเงินไปเที่ยวเองมันก็สนับสนุนกันไปสนับสนุนกันมาอย่างเงี้ยแล้วพอเวลาเกิดเศรษฐกิจมันสะดุดปั๊บทีนี้ก็ทุกกันเลย <Yeah. Yeah. S 1> อ่าเราเกิดมีปัญหาเครื่องบินไม่ได้เห็นไหมโบอิงตอนนี้บินไม่ได้กี่ลําเนี่ยอัน <Yeah. S 1> นี้น่าตกงานกันเลย คนผลิตเครื่องบินก็ตกงานอพนักงานขับเครื่องบริการบนเครื่องก็จ้างเพิ่มไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องใหม่มาเพิ่มก็ไม่มีคนไปซื้อข้าวซื้อของร้านขายข อ, ของก็ไม่มีเงินไปเที่ยวมันก็อะไรเนี้ยมันวงจรเวลาล้มก็ล้มพร้อมๆกั น, นไปด้วยกันเนี้ยนี่คือวิธีแก้ความทุกข์ของพวกเรา ของโลกเนี่ยแก้ด้วยการตอบสนองความอยากต่างๆเวลามันหมุนไปเวลาทำได้มันก็รู้สึกว่าแก้ปัญหาได้เวลาเศรษฐกิจหมุนเวียนเงินทองไหลมาเทมามีเงินใช้ตามความอยากทุกอย่างก็ราบรื่นพอเกิดมันสะดุดขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวสงครามเกิดขึ้นสงครามโลกเกิดขึ้น ฆ่าฟันกันตายไปเยอะแยะแล้วฟอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะก็ยุติลงชั่วข่าวแล้วก็มาสร้างเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่ทำตามความอยากกันใหม่เนี่ยมันเป็นวงจรอย่างนี้มานานแล้วเขาถึงมีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยวก็มีครั้งที่สามครั้งที่สี่ถ้ามันไม่ทำสงครามแบบร่างโลก ถ้ามันล่างโลกเดี๋ยวมันก็ไปเกิดในโลกอื่นไปทําสงครามในโลกอื่นต่อเพราะผู้ที่สร้างสงครามทาสงครามมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเนีผู้ที่สร้างความทุกข์ด้วยความอยากนี่มันไม่ตายไปกับร่างกายคือจิตใจเนี่ยว่าไม่มีร่างกายมันก็เป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณมันก็จะไปหาร่างกายในโลกใหม่ดวงวิญญาณนี้มัน ไม่ต้องเดินทางด้วยจรวดเนี่ยมันสามารถไปเกิดในพบไหนโลกไหนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงแต่นึกปั๊บมันพอรู้ว่าตรงนี้มีการมีการแต่งงานมีการตั้งทองปับมันไปได้แล้วถึงแม้จะอยู่ห่างจากโลกนี้กี่แสนล้านกิโลก็ตาม ถ้าใช้จรวจอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีถึงจะไปถึงโลกนั้นแต่สำหรับดวงวิญญาณนี่มันไม่ต้องใช้เวลา ม, มันไม่มีรูปมีร่างมันไม่ต้องเดินทางมันเพียงแต่สมกระแสวิญญาณไปเกาะท่านเองปฏิสนธิวิญญาณไปเกาะที่ร่างกายที่เกิดใหม่ก็ได้ร่างกายใหม่ไปเกิดในโลกใหม่กันนะ ให้พวกเราไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเกิดโลกนี้มันพังพินาศไปไม่ต้องกลัวจะไม่มีที่เกิดใหม่มีมีรออยู่มีมีที่เกิดใหม่ที่จะให้เราทุกกันใหม่ทุกเหมือนกับที่เราทุกกันในโลกนี้ทุกมาตั้งแต่วันเกิดออกมาจากท้องแม่ ก, ก็ร้องแล้วนะรากต้นของชีวิตแทนที่จะหัวละมีกลับร้องแล้ แต่คนไหนเกิดมาหัวละเนี่ยอาจจะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยโพธิสัตว์เกิดมาแล้วก็เดินเจ็ดเก้าได้แต่นอกนั้นล้วก็เป็นพวกที่มีตัณหาความอยากรุนแรงพอออกมาพอมากระทบกับความทุกข์นิดเดียวก็ร้องจาาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเป็นพระโพธิสัตว์นี่มีขันติบารมีมีความอดทนสูงถึงเม้าออกมาแล้ว จะทุกข์ก็จะไม่ลองเดินได้เจ็ดเก้ายกันนะอันนี้เป็นไปได้นะทำไมวัวควายมันออกมาปั๊บมันก็เดินได้กันนะใช่เพียงแต่ว่าจิตของมนุษย์นี่มันมันอ่อนแอร่างกายมันอ่อนแอมันไม่มีกำลังที่จะลุกขึ้นมาเดินแต่สำหรับจิตที่มีพลังอย่างพระโพธิสัตว์นี่มีมีบรารมีสิบนี่มันมีพลังมาก มีที่บาท4ีเพราะถ้าอยากจะลุกก็สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นมาเดินได้ถึงแม้จะเดินได้ไม่ไกลเพราะร่างกายยังไม่มีเลี้ยวมีแรงมีกําลังพอแต่มันเป็นการสแสดงพลังของจิตให้เห็นแล้วก็ฉลาดใช่ไหมเป็นเด็กอัจฉริยะพวกนี้รู้อะไรมากบางทีรู้มากกว่าครูที่มาสอน พ่อของพระพุทธเจ้าหาครูหาอาจารย์มาสอนวิชาทางโลกให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากลับสอนครูกลับไปรู้มากกว่าครูนี่คือปัญญาบา ร, รมีที่ได้สะสมไว้ในอดีตนี่แหละคือดวงวิญญาณที่ไม่มีวันตายแต่ที่ยังถูกกำนาจของความอยากทั้งสามนี้ครอบงำอยู่ยึงพาให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ได้พบต่างๆพบมนุษย์นี้เป็นพบที่เป็นช่วงที่ดวงวิญญาณเป็นกลางคือเป็นกลาง ร, ระหว่างบุญกับบาปช่วงไหนที่บุญกับบาปที่ได้ทำไว้ในดวงใจในดวงวิญญาณมีกำลังเท่ากันบุญก็ไม่สามารถเดืงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในสุคติได้ บาปก็ไม่สามารถดึงดวงวิญญาณให้ไปเกิดในทุกขติคือในอบายไดก็จะมาอยู่ตรงกลางระหว่างทุกขติกสุ ข, ขติพบที่อยู่ระหว่างทุกขติกสุ ข, ขติก็คือพบของมนุษย์เหล่านี้เองเนีย่ยตอนที่พวกเรามาเกิดกันตอนที่ออกมาจากท้องแม่เราลองจากตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใจของพวกเราเป็นกลาง คือบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันแต่พอมาเกิดแล้วความอยากก็เริ่มดำเนินการแล้วเดี๋ยวก็ทำบาปก่อนเป็นเด็กนี่ขโมยของเห็นอะไรอยากได้ก็หยิบเลยใช่ไหมไม่ขอไม่รู้ว่าเป็นของใครตอนนั้นไม่มีใครสอนแต่พอโตขึ้นหน่อยพอเรียนรู้ได้ก็ถูกสั่งสอนห้ามขโมยห้ามโกหกนี่ เราก็เริ่มทำบาปกันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะแล้วถ้าได้พ่อแม่ที่ใจบุญสุนทานก็จะพาเราไปทำบุญเราก็จะได้เรียนรู้วิธีทำบุญฝึกทำบุญไปกับพ่อแม่แล้วต่อไปพอเรามีข้าวของเงินทองของเราเองเราก็จะได้ทำบุญเองได้เราก็จะได้เพิ่มบัญชีบุญขึ้นมา แต่เบื้องต้นนี่ตอนที่เกิดมาเนี่บัญชีบาปมันจะพุ่งขึ้นไปก่อนนะพราะความอยากได้สิ่งต่างๆอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเห็นอะไรพอหยิบได้คว้าได้ก็หยิบมาเพราะไม่รู้เดียงสานั่นเองไม่รู้ผิดถูกดีชั่วยกเว้นถ้าเป็นพวกโพกธิสัตว์หรือพวกผู้ที่ได้ได้มีการเรียนรู้มาแนวดิตชาติเรื่องของ การไม่ทำบาปเนะ่คือดวงวิญญาณนี้มันจะมาจากสองฟากใช่ไหมฝากที่เป็นกุศลเรียกว่าสุขติพวกที่เวลาตายไปดวงวิญญาณมีบุญมากกว่าบาปนะบุญก็จะดึงไปสวรรนคะ์แล้วพอบุญลดลงมาเท่ากับบาปก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะพวกนี้เรียก่าเป็นพวกที่ลงมาจากที่สูง พวกนี้เป็นพวกที่ทำบุญไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยฉะนั้นมาเกิดตอนเป็นเด็กๆอาจจะไม่ทำบาป ก, ก็ได้เห็นอะไรก็ไม่ไม่อยากได้ก็ได้หรืออยากได้ก็ไม่กล้าหยิบเพราะเคยถูกฝึกมาในอดีตว่าถ้าไม่ใช่เป็นของของเราอย่าไปจิบอย่าไปจับก็อาจจะไม่ได้ทำบาปแต่พวกที่มาจากฝากอบายเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้ถูกสอนเนี่ยเวลาตายไป ทำบาปมากกว่าทำบุญขโมยข้าวของโกหกหลอกลวงเป็นนิสัยพอกลับมาเกิดใหม่มันก็มีนิสัยนี้ติดตัวมาเด็กจึงมีนิสัยไม่เหมือนกันลองสังเกตดูเด็กบางคนเรียบร้อยไม่ไม่สร้างปัญหาเด็กบางคนนี่ไม่เรียบร้อยสร้างปัญหาอยู่เรื่อยรักขโมยโกหกหลอกลวงไปทะเลาะวิวาสกับคนอื่นไปมีเรื่องมีราว เพราะแข่งแย่งกันอยากได้ของกันนะถ้าเป็นพวกที่มาจากสวรรค์นี้จะเป็นพวกที่เรียบร้อยกว่าเพราะพวกนี้ได้ฝึกจิตไม่ให้ทำบาปได้ถูกฝึกจิตให้ทำบุญเวลามาเกิดจึงเป็นคนที่เรียบร้อยคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยนอกนี้เราจะมีคนปนกันแล้วก็มีพวกกลางกลางคือ พวกที่บาปบ้างไม่บุญบ้างอแต่ไม่มากไม่รุนแรงก็จะเป็นพวกที่อยู่กลางๆเป็นพวกที่ไม่ไปสร้างปัญหาหรือถ้าสร้างก็สร้างน้อยมากกับพวกที่อมีนิสัยทําบาปมากกว่าทําบุญนี่นี่คือลักษณะของดวงวิญญาณที่มาเกิดตอนที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ก็จะได้ดวงก็จะได้มีนิสัยที่แตกต่างกันไปทอลายที่แตกต่างกันไปเด็กที่มาเกิดกับพ่อแม่คนเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันใช่พี่น้องเนี่ยเราเนี่ยเห็นไหมนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันต้องมาวัดด้วยกันนะทาไมเรามาเขาไม่มาแ ต, แต่ถ้าเป็นพี่น้องที่มีนิสัยคล้ายๆกันมาจาก เบื้องบนนี้ก็จะมาวัดกันถ้ามาจากเบื้องล่างก็จะไปบ่อนกันไปเที่ยวกันแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องที่มันติดมากับดวงวิญญาณเนี่ยพบของมนุษย์นี่เป็นพบเป็นพบที่ช่วงที่ช่วงที่บุญกับบาปที่มีอยู่ในใจนี้มันมีกําลังเท่ากัน บาปก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในอบายได้บุญก็ไม่สามารถดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วก็ทำทำตามความอยากเหมือนเดิมอยากในกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาไปพอทุกข์พออยากได้นู่นได้นี่ก็รีบไปซื้อมาทันทีจะได้หายทุกข์กัน พอทุกข์อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็รีบไปเป็นกันพอได้เป็นก็ดีใจหายทุกข์กันไปพอทุกข์พอเจ็บนู่นปวดนี่ก็ไปหาหมอหายามารักษากันพอหายก็ดีใจกันไปนชีวิตก็วนเวียนอยู่กับการทำตามความอยากสามอย่างนี้ไปแล้วช่วงที่หาสิ่งมาตอบสนองความอยาก บางทีหาโดยวิธีไม่ทำบาปไม่ได้ก็ต้องไปใช้วิธีทำบาปกันทำผิดศีลห้า ก, กันถ้าหาไม่ได้ก็ลักขโมยบ้างโกหกหลอกลวงบ้างถ้าเป็นคนอยากได้เขามาเป็นแฟนก็ไปประพฤติผิดประเวณีบ้างแทนที่จะไปสู่ขอให้มันถูกประเพณีก็ไม่เอาแล้วไปและแอบไปมีอะไรกับลูกของชาวบ้านเขา พอมีแล้วก็ทิ้งกันเลิกกันไปอันนี้ก็ทำประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงแล้วถ้าบางครั้งรักขโมยไม่ได้ก็ต้องใช้อาวุธป้นจี้กันแล้วมีการต่อสู้กันก็มีการฆ่าฟันกันอันนี้คือที่มา ก, การตอบสนองความอยากด้วยการทำบาป ก็ทำให้สะสมบาปมีเพิ่มขึ้นไปในใจพอตายไปก็ถูกบาปนี้ดึงไปอบายพวกที่ไม่ทำบาปไม่ทำบุญก็อยู่กลางๆตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พวกที่ไม่ทำบาปหรือทำบาปน้อยทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปก็ไปสวรรค์กัน นีสำหรับนี่คือพวกที่เวียนว่ายตายเกิดในกามะพพจะเป็นอย่างนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งนี้เป็นพวกที่ชอบหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งไม่หาความสุขจากกามตัณหาแต่หาความสุขจากความสงบเรียกว่าภาวะตัณหาอย่างหนึง่งหาความสุขจากความสงบพวกนี้ก็จะไปบวชไปถือศีลบวชกันถือศีลแปดไปฝึกสมาธิไปนั่งทาใจให้สงบ พอเข้าฌานขั้นรูปฌปานได้ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์อีกไปเกิดอีกภพหนึ่งไม่เกิดในกามะภพนไปเกิดในรูปภพถ้าได้รูปฌปานถ้าได้อารูปฌานก็ไปเกิดในอรูปภพเป็นภพที่มีความสุขมากกว่ากามภพรูปภพนี้มีความสุขมากกว่ากามะภพ อรูปภพมีความสุขมากกว่ารูปภพเนี่ยสำหรับพวกที่เขาเข้าฌานได้เขาก็จะหาความสุขจากการเข้าฌานกันพอตายไปดวงวิญญาณของเขาก็จะไปเป็นพรหมกันแต่พอฌานเสื่อมลงก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาพอมาเกิดแล้วพอโตก็ไปบวชกันใหม่ไปฝึกสมาธิกันใหม่ เคยทำอะไรมาเป็นนิสัยมันก็จะติดมามันก็จะกลับมาทำเหมือนเดิมคนที่ชอบเข้าฌานเข้าสมาธิก็กลับมาก็จะเข้าฌานเข้าสมาธิชอบไปวัดชอบไปอยู่กับสำนักที่มีการปฏิบัติธรรมมีการฝึกสมาธิไม่ว่าจะเกิดในศาสนาไหนก็ตามถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ไปบวชเป็นเป็นพระของศาสนานั้นไป เพราะพวกนี้เขาไม่สนใจในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเขาไม่สนใจในการที่จะมีความสุขจากการมีสามีมีภรรยาสำหรับเขาเขาเห็นว่ามันทุกข์มันวุ่นวายซู่ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้เขาก็จะไปบวชกันไปทำสมาธิกันนะนี่คือการเวียนว่ายตายเกิด ของวุดดวงวิญญาณต่างๆในสามภพบน่ในไตรพภพตรพภพนี้เป็นภพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญมีการเสื่อมท่านยังเรียกว่าวัฏะสงสารมีการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมลงมา เป็นรูปประพรมอารูปประพรมเดี๋ยวกําลังของฌานที่ส่งไปหมดกําลังลงก็เลื่อนลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อที่จะมาเติมน้ำมันใหม่พบของมนุษย์นี้จึงเป็นเหมือนสถานีบริการที่เราต้องจอดเวลาเราขับรถยนต์เดินทางไปไหนมาไหนเดี๋ยวพอน้ำมันใกล้หมดเราต้องคอยดูสถานีบริการนะ เดี๋ยวต้องจอดเติมน้ําเติมลมเติมน้ํามันคนขับก็จะต้องมีการบรนเทาทุกเข้าห้องน้ําแล้วก็หาของกินของดื่มเพื่อเติมพลังเพื่อจะได้เดินทางต่อไปการมาเกิดบนภพของมนุษย์นี่ก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนการมาเติมคนที่เคยมีบุญพอบุญหมดก็กลับมาเติมใหม่มาทําบุญใหม่ ก่อนที่เคยมีบาปเคยทําบาป พ, พอบาปหมดก็กลับมาเติมบาปใหม่เพื่อจะได้เดินทางต่อไปไปทางของตนพวกที่มาเติมบาปก็ไปอบายกันฮพวกที่มาเติมบุญก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆกันไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหมแล้วแต่ชนิดของบุญเหมือนน้ํามันมีหลายชนิดใช่ไหมมีดีเซนมี อ, อมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เขาเรียก เราไม่ได้ขับรถมีแก๊สโซฮอมีเบนซินไม่ได้ขับรถมานานแ้เราไม่รู้เขาเรียกน้ำมันอะไร <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันพวกที่ชอบทําบุญก็มาเ ค, เคยใช้น้ำมันบุญก็มาเติมน้ำมันบุญพวกที่เ้ําน้ำมันชาญก็ไปเติมน้ำมันชาญ <c oughs> พวกที่เคยน้ำมันอรูปปัจจานก็ไปเติมน้ำมันอรูปปัจจาน <c oughs> พวกที่เกยเตาเติมบาปก็ไปเติมบาปกัน ในโลกเราจึงมีคนหลากหลายกันทำไมไม่เหมือนกันนะก็เป็นคนเหมือนกันมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกันกินข้าวก็กินเหมือนกันนะแต่ทำไมเรื่องของจิตใจนี้ไม่เหมือนกันก็เพราะจิตใจมันมันคนละเรื่องกันจิตใจมันมันไม่ได้อาศัยปัจจัยสี่เหมือนร่างกายปัจจัยจิตใจมันอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นตัวผลักดันมัน อาัยตัวความอยากกามาตันหาภาวะตันหาและวิภาวะตันหาเป็นตัวขับเคลื่อนเหมือนนั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีหวันสิ้นสุดเนี่ยท่านถึงเรียกว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏต่อให้เกิดดีขนาดไหนเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายไป ตายไปก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปพอรับเสร็จบุญกับบาปหมดกำลังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาใหม่ทำตามความอยากใหม่มันจะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดแล้วมันเป็นมานานแล้วพระพุทธเจ้าบอกพวกเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้มันเป็นเวลายาวนานไม่ใช่เพียงพบน้ชาินี้พบเดียวนะ พบนี้เป็นเพียงเซี่ยวหนึ่งของจํานวนของพบชาติที่เรามาวินว่าตายเกิดกันถ้าอยากจะรู้ว่าเซี่ยวหนึ่งนี้ขนาดไหนก็ให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งเนี่ยในชาตินี้มาสะสมเก็บรวมกันไว้จะได้สักขวดหนึ่งเนี้น้ําขวดน้ําที่เราเดิมกันเนี่ยน้ําตาที่เราร้องไห้กันเนี้ท่านบอกว่าน้ําตาที่เราเคยหลั่งมาแล้วที่ถ้าเรามารวบรวมกันแล้ว ในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรเนี่ยคิดดูซิว่าต้องกลับมาเกิดกี่ครั้งด้วยกันมาล่องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะมีน้ํามากกว่าน้ําในมหาสมุทรน้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือปริมาณของภพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราและยังไม่จบนะมันยังมีต่อนะ เพราะเรายัางไม่ได้แก้ตัวที่มาผลักดันให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองตัวที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเราต้องหยุดมันให้ได้ถ้าเราหยุดมันไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดของเราจะไม่มีวันหมดแล้วเราจะไม่มีวันหยุดมันได้ถ้าเราไม่รู้จักคนที่รู้ จากวิธีหยุดมันแล้วคนที่จะรู้วิธีหยุดมันนี่ก็นานๆาจะโผล่มาสักคนหนึ่งคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่เราได้เจอตัวพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือเจอตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ดีเช่นพระธรรมคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกผู้สามารถหยุดความอยากต่างๆได้ เราก็จะสามารถจะศึกษาจากท่านเหล่านี้ได้นี่คือพระรัตนไตัยนี้เองพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ตอนนี้เราไม่เจอตัวพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรามีตัวแทนพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากเราถึงแม้เราจะจากพวกเธอไปพวกเธอยังมีาศาสดาอยู่กับพวกเธอต่อไป ก็คือธรรมวินัยคำสั่งคำสอนที่เราสอนทั้งญาติโยมทั้งพระนี่แหละจะเป็นผู้เป็นศาสดราของพวกเธอต่อไปการคำสั่งคำสอนจึงได้มีการจดจำกันมาบันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกได้ไปค้นหาพระอริยสัจสี่ไปหามรรคแปดที่เป็นเครื่องมือเป็นมรรค ที่จะมาหยุดความอยากอริยสัจสี่มีสองฝ่ายฝ่ายสร้างความทุกข์กับฝ่ายดับความทุกข์ฝ่ายสร้างความทุกข์ก็คือทุกขกับสมุทยัยทุกขก็คือเนี่ยทุกขคือการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ใจแล้วก็เกิดจากความอยาก น, นี่คือเป็นฝ่ายฝ่ายสร้างความทุกข์ฝ่ายที่ดับความทุกข์ก็คือมรกับนิโรธ นิโรธก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์นิโรธจะเกิดขึ้นได้ต้องมีมรมครคมรรคก็คือทานศีลภาวนาหรือมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาตัวเดียวกันทานศีลภาวนาสาหรับญาติโยมศีล ส, สมาธิปัญญาสาหรับนักบวชแต่เป็นตัวที่จะมาหยุดความอยากกันต้องต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนา บางอย่างก็ใช้ทานอย่างเดียวสู้กับมันได้เช่นเวลาอยากจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าไปเที่ยวก็ใช้ทานสู้กับมันได้เอาเงินไปทำทานหยุดเที่ยวหยุดซื้อของก็เท่ากับหยุดความอยากนั่นนะหยุดหยุดกามาตัญหาด้วยด้วยฐานแต่บางอย่างก็ต้องใช้ศีลถึงจะหยุดมันได้เวลาอยากได้อะไรแล้วได้มาโดยที่ไม่ขโมยไม่ได้ก็อยากจะขโมย อันนี้ก็ต้องหยุดเพราะถ้าใช้ศีลหยุดมันเนาทําไม่ได้เราถือศีลออยากจะไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นนะทําไม่ได้เราถือศีลอยู่อย่างงี้มันก็ใช้ศีลช่วยดับความอยากแต่ละระดับนี้บางทีใช้ตัวเดียวดับได้ใช้ทานอย่างเดียวดับได้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินทองถ้าเกี่ยวกับเรื่องการใช้กระทําทางกายทางวาจาก็ใช้ศีลหยุดมันได้เ แต่ถ้าเกี่ยวกับความอยากที่อยู่ในใจนี่มันทานกับศีลหยุดันไม่ได้มันต้องใช้ภาวนาความอยากมีอยากเป็นนี่มันมันไม่ผิดศีลเนี่ยอยากเป็นนายกมันไม่ผิดศีลใช่ไหมอยากเป็นเศรษฐีไม่ผิดศีลมันศีลก็เลยห้ามมันไม่ได้ตัวที่จะมาห้ามมันได้ต้องสมาธิและปัญญาคือวิปัสสนาสมถะภาวนา วิปัสนาภาวนานี่คือเครื่องมือในการที่เราจะมาหยุดความอยากไม่ทำตามความอยากได้เราต้องใช้ทานศีลภาวนากันถ้าเป็นคนที่ยังใช้เงินใช้ทองทามตามความอยากอยู่แต่ถ้าเป็นนักบวชไม่มีเงินทองใช้แล้วท่านก็ไม่ต้องสอ น, นื่องทานนะเพราะคนที่มาบวชนี่ท่านบอกให้ทำทานไปให้หมดไม่ให้เอาเงินทองติดตัวมาบวช จะได้ไม่มาพับ อ, อาศัยเงินทองพาไปหาความสุขกันพอไม่มีเงินทองก็เลยไม่ต้องสอนพระเรื่องทานสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่สําหรับญาติโยมนี่ยังใช้เงินอยู่ใช้เงินตอบสนองตั้นหาความอยากอยู่ก็ต้องสอนว่าหยุดใช้เงินทองตอบสนองความอยากกันเอาเงินไปทําบุญทําทานจะได้ความสุขที่ สราจากความอยากความสุขที่จะไม่ผลักดันให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันการทําบุญนี้ไม่มีปัญหา <c oughs> ไม่มีการสร้างความทุกข์ใจทําบุญแล้วเกิดความอิ่มใจเวลาไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกข์ใจไม่เหมือนกับเวลาเที่ยวเวลาไม่ได้เที่ยวจะทุกข์ใจเวลาไม่มีเงินเที่ยวจะทุกข์ใจอยู่บ้านแล้วรู้สึกเหงาว้าวเว เวลาออกนอกบ้านเหมือนไก่บินนะเมื่อเาอยู่ในบ้านเหมือนหากินนะนั่นแหละตัวตันหาความอยากมันมันเป็นอย่างนั้นพอให้มันออกนอกบ้านเนี่ย้ยมันบินนพอขังมันไว้ในบ้านนี้มันหา ก, กินนะแต่ถ้าทําบุญแล้วอยู่ในบ้านก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร เวลาไปทําบุญก็ไม่รู้สึกจะไปเป็นไก่เป็นไปก็ไปเพราะว่าไปทําหน้าที่ไปกําจัดความอยากมันมีเงินในกระเป๋าแล้วมันร้อนความอยากเกิดขึ้นมาก็ต้องเอาเงินนี้ไปออกจากกระเป๋าเราอย่าให้มันอยู่ใกล้ตัวเราไปทําบุญทําทานแล้วความร้อนในใจก็หายไปความอยากทําก็หายไป <c oughs> น, น, นี่สําหรับผู้ที่ของเรือนแต่ยังใช้เงิน ซื้ออะไรตามความอยากต่างๆอยู่ต้องมาหยุดซื้อได้เพียงแต่ของที่จําเป็นเท่านั้นคือปัจจัยสี่แล้วก็ต้องซื้อพอดีมา ก, กเกินไปก็เป็นความอยากอีกแพงเกินไปก็เป็นความอยากอีกรู้หราเกินไปก็เป็นความอยากอีกต้องเอาแบบพอดีพอเพียงอย่างในหลวงร .9 บอกเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่ได้พอใช้ประโยชน์ได้อย่าไปคานึงถึง รูปล่างหน้าตาอย่าไปคำนึงถึงราคาเนะีบางทีของอันเดียวกันเนะ่ยติดป้ายนิดหนึ่งราคาพุ่งขึ้นไปสิบเท่านะเสื้อตัวหนึง่งเสื้อที่ไม่มีป้ายติดกับเสื้อที่มีป้ายติดราคามันต่างกันเป็นสิบเท่ามันก็เป็นเสื้อเหมือนกันนะใส่บกปิดร่างกายได้เหมือนกันทําหน้าที่ได้เหมือนกันให้ดูการใช้สอยเป็น เป็นตัวตัดสินว่าใช้สอยได้หรือเปล่าทำประโยชน์ตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้าสองอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันอันหนึ่งถูกอันหนึ่งแพงเรื่องอะไรไปเสียเสียเงินซื้อของแพง่าทาไมในเมื่อมันใช้งานได้เหมือนกันก็เสื้อผ้าเนี่ยที่ส่งไปขายเมืองนอกมันก็ผลิตในเมืองไทยใช่ไหมเวลาไปขายจจตูจักมันก็ราคาหนึ่งเวลาไปขายที่ห้างกุชชี่มันก็กลายเป็นอีกราคา มันก็เสื้อผ้าออกมาจากโรงงานเดียวกันนะนี่คือเรื่องของการใช้สอยแบบพอเพียงอย่าฟุ่มเฟือยอย่ารู่ราเพราะว่ามันเป็นการตอบสนองความอยากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นตัวเหตุที่จะทำให้เราทุกข์กันที่จะทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเราต้องมาเจริญทานกัน ทำทานทานที่ยำเงินไปทำตามความอยากทำทานรักษาศีลเพื่อห้ามไม่ให้ไปทำตามความอยากกันแล้วก็มาภาวนาเพื่อหยุดความอยากที่ทานและศีลไม่สามารถหยุดได้การภาวนานี้จะหยุดความอยากได้ก็หยุดได้สองระดับระดับแรกก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าจะเริญสมาธิจะเริญนสตินั่งสมาธิพอใจสงบนิ่ง ความอยากก็ทํางานไม่ได้ความอยากอาศัยการคิดเป็นเครื่องมือในการทํางานพอเราคิดถึงขนมนี้ความอยากกินขนมไหลมาเลยนะพอคิดถึงเครื่องดื่มอยากจะดื่มกาแฟตามมาเลยแต่ถ้าไม่คิดถึงขนมไม่คิดถึงกาแฟมันก็ไม่เกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาพอนั่งสมาธิหยุดความคิดได้ปรับความอยากก็หายไปสงบชั่วคราว แต่สงบแบบหินทับยา เ, ออเวลาหินถูกเวลายาถูกหินทับยามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกแป๊บเดียวมันก็งอกกลับขึ้นมาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ตายยังไม่ถูกถอนออกออความอยากก็เช่นเดียวกันขั้นต้นเราหยุดมันด้วยสมาธิเพราะมันง่ายกว่าการหยุดด้วยปัญญาที่เป็นขั้นที่สองออขั้นสมาธินี่มันเพียงแต่พุโทโธพุโทโธคาเดียว การปัญญามันต้องวิเคราะห์เนี่ยมันยากนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นของที่เหมือนเรียนเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์นี่ยกับเรียนกอไก่ขอไข่ไหนมันง่ายกว่ากันเรียนกอไก่ขอไข่ง่ายแต่ครูบอกให้ท่องไปเลยกอไก่ขอไข่จิตก็สงบได้ให้ท่องพุทโธแไงจิตก็สงบได้แต่ให้มาวิเคราะห์ว่าอนิจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงนี่ปวดหัวเหมือนให้มานั่ง ให้านั่งวิเคราะห์การบวกลบคูณหารทำอย่างไรขั้นปัญญามันจึงต้องรอไว้ทีหลังก่อนเอาขั้นสมาธิก่อนพอได้สมาธิแล้วถึงจะมีกำลังที่จะไปขั้นปัญญาได้ขั้นที่จะทำลายความอยากได้อย่างถาวรในเบื้องต้นของการภาวนาให้มาฝึกสติเพื่อทำใจให้สงบ ให้เป็นสมาธิไปก่อนถึงแม้ว่าจะสงบเป็นพักๆชั่วครั้งชั่วคราวมันก็จะทำให้ใจมีความสุขมีกำลังที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็จะสงบอย่างต่อเนื่องพอสงบอย่างต่อเนื่องทีนี้ก็จะมีกำลังที่จะสั่งใจให้มานั่งคิดอันนี้จังทุกขังนะนัตตาว่าเป็นอย่างไรพอคิดบ่อยๆเห็นภาพขึ้นมาอ๋อ oh, อันนี้จังเป็นอย่างนี้เอง เกิดแล้วดับเป็นอย่างนี้เองเจริญแล้วเสื่อมเป็นอย่างนี้เองะเออทุกขังเป็นอย่างนี้เองอนัตตาเป็นอย่างนี้เองพอเข้าใจตายรักปั๊บพอเกิดความอยากปั๊บพอเห็นไตายรักปับความอยากวิ่งหนีเลยพอเห็นว่าจะต้องไปหาความทุกข์ก็ไม่ไปเลยะพอจะให้ไปเป็นนายกพอที่ถึงไปเป็นนายกต้องปวดหัวนี่ไม่ไปเลยตอนนี้ไม่ปวดหัวอยู่เฉยสบายกว่าะ เนี่ยมันจะไม่ ไ, ดไปดูผลลัพธ์ที่จะได้โอ้ได้รถมีคนขับรถมีรอปอพคุ้มครองแต่มันจะดูที่ใจของเราว่าใจของเราจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายออตอนนี้ไม่เป็นนายกวุ่นวายไม่สบายใช่ไหมพอไปเป็นนายกดูเลยเรื่องต่างๆเข้ามาหาเราหมดตอนนี้ร้อยแปดพันประการแล้วถ้าไปทำให้คนไม่ถูกใจก็ถูกก็ได้ ไปเป็นทำไมถ้าคนไม่เห็นตายรักก็ไม่เป็นหรอกแต่คนที่ไม่เห็นตายรักโอ้ดีใจวิ่งเลยพอใครก็ส่งส่งส่งรถมารับเท่านั้นเองขอเชิญท่านไปเป็นนายกโอ้โหเพิ่มปิติขึ้นม า, ารู้ไหมว่ากำลังวิ่งไปหาก่องทุกเนะี่ยนี่คือปัญญา เปนของที่ยากที่จะเห็นได้เห็นตายรักเนะี่ไม่ใช่ของง่ายยังนั้นเบื้องต้นมาฝึกสมาธิก่อนมาทําใจให้สงบก่อนด้วยการฝึกสติง่ายๆพุโทโธคําเดียวเด็กมันยังพูดได้เลยพุทธโธแต่แต่มันพูดได้แค่คําเดียวสองคำแล้วมันก็เลิกพูดเนี่ยมันเลยไม่เป็นสมาธิถ้ามันเป็นจะเป็นสมาธิมันต้องพุโทโธไปสักห้านาทีสิบนาทีอย่างนั้นนะ เ, เดี๋ยวพุทเดี๋ยวมันก็จะสงบขึ้นมา นี่คือเรื่องของการที่เราจะมาดับความทุกข์ใจด้วยพระรัตนตรัยคือมาเรียนมาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าวิธีดับความทุกข์ทอย่างไรท่านก็สอนว่าดับด้วยทานศีลภาวนาพอรู้แล้วทีนี้ก็เอาไปทํากันพอทําแล้วเดี๋ยวก็ความทุกข์ต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลำดับ ตามการปฏิบัติของเราต่อไปความทุกข์ก็จะหายไปหมดไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปก็ถือว่าเรียนจบได้รับปริญญากันเอเพราะเราเข้าห้องเรียนเราไม่หนีเรียนแต่ถ้ามาวัดเพื่อจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็ขอกลับบ้านนี้ก็ก็เรียนไปจนวันตายก็ไม่มีวันจบนะต้องเรียนแบบนักเรียนที่เขาเรียนกันในโรงเรียนะ เรียนไปถึงเวลาเข้าห้องเรียนก็เรียนไปถึงเวลาทำการบ้านก็ทำการบ้านถึงเวลาสอบก็สอบกันนะพอทำได้แล้วเขาก็จะมอบปริญญาให้พระพุทธศาสนาก็จะมอบปริญญาให้กับเราคือนิบบานังปรมังสุขขงังนี่คือปริญญาบัตรของพุทธศาสนาความสุขของพระนิพพานเป็นบรมสุข ความสุขของจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากทั้งสามเรียกว่านิพานนี่เองนิพานเป็นจิตที่มีความสุขเด่นท้าวรความทุกข์ต่างๆที่เคยมีอยู่ในจิตนี้จะหายไปหมดนี่คือเรื่องของการมาวัดมาเรียนมาศึกษามาปฏิบัติก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับท่านไปพิจารณาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> อขออนุโมทนาให้พรยะ า, าวะริวาหาปูราปาลิปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตโตชินังเบตานังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยถามะนีโชติอราโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันโตสัพพโรโควิณัสโตมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภว อาพิวาทนาสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัทฐนติอายุวโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไร ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วจะงดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามามวันนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่กับสาทุเจ้าค่ะวันนี้ยอดทางเฟซบุ๊กมีสมอยีสอท่านค่ะ<ม> YouTube 357ห้าสิบเจ็ดท่าน วิทยุ17ท่านค่ะผู้รับฟังบนเข่า175ท่านรวมเป็นทั้งหมด870ท่านเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยมีคำถามจากคุณประสงค์วัชระดานัยนะคะการที่เราอยากให้แม่เราเลิกยึดติดกับทรัพย์สินเราควรพูดแบบไหนครับหลวงพ่อ คุณเลอกได้หรือเปล่าว่าคุณแม่เนี่ยคนเลอกตัวคุณให้ได้ก่อนนะคุณอยากจะได้ทรัพย์สินของแม่ใช่ไหมถึงไม่อยา่คุณแม่ติดทรัพย์สินของดูตัวเราก่อนเถอะเราเรายังหวังทรัพย์สินของแม่อยู่ว่าเปล่าถ้าหวังเราก็ติดเบนแม่แล้ววนี่ก็อยากจะให้แม่ไม่ติดคุณจะได้ให้เราใช่เอมงั้น เรื่องของคนเดินอย่าไปยุ่งเขาเลยทรัพย์สมบัติของเขาเขาจะติดก็เรื่องของเขาเขาจะให้เราหรือไม่ให้เราก็เรื่องของเขาเราอยากได้หาเองดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปอยากให้เขาไม่ติดทรัพย์สินของเขาคำถามต่อไปนะคะคุณแม่ชอบซื้อปลามาขังไว้เพื่อรอค่าทำอาหารพอห้ามก็ทะเลาะ ก, กันค่ะต้องใช้วิธีการอย่างไรเตือนคุณแม่ดีคะ ก็เฉยเท่านั้นเลยมอเตือนแล้วทะเลาะกันกถ้า้องไม่ต้องการจะทะเลาะกันก็เฉยไปส่วนคุณแม่จะทำแล้วก็เรื่องของคุณแม่ไปนะกรรมใครกรรมมันคำถามจากคุณ น, นิยาลักษณะคำพูดเพอร์เจอร์และคำหยาบ เป็นแบบไหนอย่างไรช่วยอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียดแจ่มแจ้งด้วยเถิดสาธุคำหยาบกับมึงกูเนี่ยไอหายเฮี่ยเนี่ยพด <laughs> <laughs> คำเพ้อเจอก็ควรคำพูดที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระฟังแล้วก็เป็นเหมือนพวกขยะพวกนินทากาเลวิภาควิจารคนนั้นคนนี้ ไม่ใช่พูดไปเพื่อให้เกิดความรู้วิชาการที่เอาไปทำคุณทำประโยชน์ได้เช่นพูดเรื่องวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างนี้เรียกว่าไม่เพอเจอคําคำถามต่อไปจากคุณสุบินอิทธานนท์นะคะ กราบขออนุญาตถามเพื่อความรู้แจ้งของตนเองและผู้อื่นด้วยเจ้าคะ่ะคำถามว่าปีชงหนึ่งร้อยปีชงลองมีวิธีแก้กรรมหรือสะเดาะเคราะมีจริงไหมเจ้าคะ่ะมีก็ทำบุญรักษาศีลไปภาวนาไปนี่คือวิธีแก้ปีชงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านแก้แบบนี้ท่านแก้ด้วยการทำบุญทาทานรักษาศีลภาวนาไป คำถามต่อไปจากคุณสุภชัยยรารสิทธิ์สภาวะจิตเสื่อมเกิดจากสติของเรามีน้อยลงใช่ไหมครับถูกต้องสติน้อยจิตก็จะเสื่อมลงสติมากจิตก็จะสงขึ้น คำถามจากคุณเสกสรรใจประเสริฐการเจริญสติที่ถูกต้องทำอย่างไรครับและเวลาที่เผลอควรทำจิตอย่างไรครับนมัสการพระอาจารย์ครับวิธีถูกต้องการเจริญสติก็ให้พุโทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เผลอแล้วก็ดึงกลับมาที่พุโทโธใหม่ ปัดกันดึงกันไปดึงกันมาต่ อ, อไปก็จะอยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆพออยู่กับพุทธโธไปเรื่อยๆนั่งสมาธิจิตก็รวมสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้คำถามจากคุณศิริพิยา นั่งสมาธิแล้วชอบขยับตัวไปมาเลิกขยับไม่ได้แก้ไขยังไงคะเดินเลยถ้าชอบขยับตัวก็เดินไปเดินไปเดินมาจนกว่าจะไม่อยากจะเดินแล้วค่อยมานั่งแลตอนนั้นมันก็จะไม่ขยับแล้วเพราะมันมันไม่อยากจะขยับแล้วถ้ายังอยากขยับก็เดินจงกรมไปก่อนคำถามต่อไปนะคะจากคุณอาจารี เกิดทุกขวเวทนาอย่างมากขนาดทำสมาธิเช่นปวดขาควรทําอย่างไรคะเปลี่ยนควรเปลี่ยนอริยาบทได้หรือไม่คะเปลี่ยนก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเปลี่ยนอริยาบทก็กลับเป็นที่ศูนย์ใหม่แต่อยากจะไปต่อก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บเดี๋ยวความเจ็บก็จะไม่มารบกวนใจ ใจสงบแล้วใจก็ไม่ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บเห็นให้พุโทโธต่อไปเพื่อทำใจให้สงบคำถามต่อไปจากคุณปฐมพงษ์แสงสุขขอให้พระอาจารย์เมตตาแนะนำการเจริญปัญญาในชีวิตประจำวันด้วยครับก็คิดด้วยเหตุด้วยผลอย่าคิดด้วยอารมณ์นะคิดด้วยเหตุด้วยผลถูกผิดนะ อย่าไปเถือ่อเถอครูถูกมึงผิดอย่างนี้ไม่ได้อต้องดูว่าผิดจริงหรือเปล่าถูกจริงหรือเปล่าคือต้องมีเหตุผลมีความจริงเป็นการยืนยันเช่นทําผิดกฎหมายผิดหรือเปล่าผิดแต่ถ้าเราทําไม่ผิดใช่ไหมอออย่างนี้ถ้าถ้าเราทําผิดกฎหมายแล้วว่าเราไม่ผิดนี่แสดงว่าเราไม่ได้คิดด้วยปัญญา ถ้าเราทำผิดกฎหมายแล้วผิดนี่แสดงว่าเราคิดด้วยปัญญาต้องคิดตามความเป็นจริงคำถามจากคุณแซมเวลาทำสมาธิแล้วเกิดขนลุกแก้อย่างไงครับไม่ต้องแก้หรกให้มันลุกไปเดี๋ยวมันก็หายเองมันลุกได้เลยมันก็หาย อ, อย่าไปสนใจกับมันให้อยู่กับการทำสมาธิของเราต่อไปอย่าหยุด การาบหลวงพ่อค่ะคือโยมอยากถามว่าการนำจิตสุดท้ายก่อนตายค่ะของผู้ป่วยเนี่ยสามารถทําได้จริงหรือเปล่าคะแล้วทําได้มากไหมทำได้ไแต่เขาจะตามได้หรือเปล่าบอกให้ก็พุโทโธพุทโธเขาจะทําได้หรือเปล่าบอกให้เขาปล่อยวางร่างกายเขาปล่อยได้หรือเปล่าถ้าเขาทาตามได้เขาก็เขาก็ทําเขาได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าไปสอนพระบิดาให้ปล่อย พระบิดาปล่อยก็เลยเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาอย่างเราสอนเ็าแล้วแต่เขาจะทำได้หปล่าขนาดจิตยังไม่สุดท้ายยังไม่ทำเลยแล้วจิตสุดท้ายจะมาทำหรือเล อ, อ, อย่นก็อยู่ที่คนคนสอนกับคนเรียนว่าหนึ่งคนสอนรู้วิธีสอนหรือเปล่าสองคนเรียนทำตามคนสอนได้หรือเปล่าก็มีท่านนี้แหละ จะจะนาเขาอย่างไรให้เขาสวดมนต์ก็สวดมนต์ให้เขาพุโทโธก็พุโทโธให้เขาปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราให้เขาปล่อยแล้วที่ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยสามารถนำให้ไปสู่สุขคติหรือทุกคติได้อันนี้อันนี้นนนได้ถ้าทำได้ทำให้มันสงบก็ไปสุขคติถ้าทำให้มันทุกข์มันก็ไปทุกคติยังต้องทาให้มันสุขอย่าทให้มันทุกข์ ให้มันสุขกับความเจ็บให้มันสุขกับความตายให้ได้ก็ต้องมหาหัดทำเหมอนถ้าไม่หรรมัดทำจะไปทําได้ที่ไหนตอนเวลาถึงเวลาจะต้องทําให้มหาหัดทําบุญทําทานจิตจะได้มีความสุขเวลาตายไปจะได้ทาใจให้สุขเป็นทาทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นวิธีทาใจให้สุขเวลาตายไปก็จะได้ไปสุขคติได้ ถ้าทำบาปทำกรรมไม่ทำบุญใจก็จะเป็นทุกข์นะเฉนั้นต้องเตรียมตัวก่อนไม่ใช่มาทำวันสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็สบายเลยทั้งชาติกูเล่นให้สนุกพอถึงเวลา จะเข้าห้องสอบค่อยมาเรียนก่อนวิวนาทีหนึ่งวิธีทำข้อสอบนะฮะมันก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาทำบุญทำทานให้เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้ากนันเปล่าๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรให้สนุกสนานให้เต็มที่พอถึงเวลาสุดท้ายก็ทำเป็นเด็กดีคนดียิ้มหวานแล้วอาจารย์จะให้คะแนนเต็ม้อยทำได้ก็ดีก็ขออนุมโมทนาถ้าทาได้ ก็ททำจิตให้สุขเปรนหลักันจิตสุดท้ายถ้าอยากจะไปสุขคติก็ต้องทำจิตให้สุขถ้าทำไม่ได้ถ้าใจทุกข์จิตทุกข์มันก็ไปทุกขคติคําำถามจากคุณเมธิยาเกลเวลานั่งสมาธิแล้วเหมือนมีเสียงเดินผ่านเรา แต่ไม่กล้าลืมตาหลายรอบรู้สึกแต่ก็ท่องพุทโธต่อค่ะคืออะไรคะจิตร้อนไงจิตหลอกไม่ต้องไปสนใจเวลานั่งสมาธินี่มันมีอะไรมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวคันตรงนั้นเดี๋ยวปวดตรงนี้เดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี๋ยวจะกืนน้ำลายแล้วน้ำลายจะไหลแล้วเดี๋ยวนั่งแล้วเอ็ไปทางซ้ายเดิงไปทางขวาโอ้ยมันหลอกเราตลอดเวลา อย่าไปสนใจให้พุทโธสนใจอยู่กับพุทโธคําภาวนาของเราไปเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวอาการร้อนอาการหลอกเหล่า น, นี้ก็จะหายไปหมดคําถามต่อไปจากคุณกยสิทธธรรมรงวัฒนาชัยทําอย่างไรให้จิตทรงอารมณ์คุศลไว้ได้ตลอดเวลาครับก็มีสติไงพุทโธพุทโธไปคอยควบคุมจิตอย่าปล่อยให้จิตคิดแล้วมันก็จะ มันก็จะสงบเป็นกุศลขึ้นมาคำถามจากคุณกยสิทธ์อีกคำถามนะคะทำทานอย่างไรให้ได้บุญครับทำมากๆเย <laughs> ทำสิบบาทก็ได้ก้าสิบบาททำร้อยบาทก็ได้ร้อยบาทเนะี่ยคำถามจากคุณสุปราณี การถือศีลแปสามารถดื่มน้ำทั่วเหลืองในตอนบ่ายได้ไหมคะศีลแปดนี่มันไม่ได้ห้ามไนเรื่องของพวกนี้นะนอกจากไปอยู่กับวัดแล้วทำตามที่วัดเขาสั่งศีลแต่เขาห้ามไม่ให้รับประทานอาหารทีนี้น้ำทั่วเหลืองนี่ตามวัดบางวัดเขาก็ถือว่าเป็นอาหารถ้าวัดเขาถือเป็นอาหารเขาก็ไม่ให้ดื่ม ถ้าวัดเขาถือว่าเป็นเครื่องดื่มก็ดื่มได้เห็นบางวัดเขาถือว่าเป็นเครื่องดื่ม <c oughs> ไม่ต้องขอบเคี้ยว <c oughs> ก็เป็นเครื่องดื่มบางวัดก็ถือว่ามันเป็นส่วนประกอบของอาหาร <c oughs> ก็ไม่ให้ให้รับประทานไม่ให้ดื่มงั้นก็ขึ้นอยู่ว่าเราศึกษาอยู่กับวัดไหนเวลาไปอยู่กับวัด น, นั้นเขาก็จะสอนให้ทําอย่างนั้น คำถามจากคุณยิ่งพันธารวัฒนาศาสตร์กราบพระอาจารย์ครับรูปพมกับอรูปพมมีลักษณะเป็นอย่างไรครับก็ลองเข้าฌานดูนะ <c oughs> ถ้าเข้าฌานได้รูปฌปานก็จะได้ลักษณะของรูปพรมถ้าเข้าอารูปฌานได้ก็จะได้ลักษณะของอรูปฌานอารูปพรมจิตนี่แหละที่เป็นฌานจะเป็นพม คำถามจากคุณนะรุษมนภูสมจิตการที่เห็นโทษว่าจะโกรธให้คนนั้นพอเห็นก็ปล่อยวางได้ใช่ไหมคะก็ลองดูสิมาถามน้องทำไม <laughs> คำถามจากคุณกยสิทธ์นะคะเวลากิเลสครอบงำจิตเราจะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไรครับก็พุโทโธไปต้องพุโทโธพุโทโธไป เเยววมมััันนนกกก็็จจะะผ่าไปลลสสงอองบตคำถามจากคุณกุ้งฟอดช้างเผือกเชียงใหม่แหวนพระอาจารย์เปลี่ยนหลุดออกจากนิ้วแล้วหายไม่เจอค่ะพระอาจารย์พระเลือกเจ้าของจริงไหมคะช่วยกันหาหกคนก็หาไม่เจอค่ะแหวนพระอยู่กับตัวเองมาสามถึงห้าปีค่ะ พระท่านหายตัวได้เองจริงไหมคะไม่หรอกมันเป็นเรื่องอนิจจ์นะมีเกิดก็มีดับมีมาก็มีไปเห็นพิจารณาว่าเป็นอนิจจงถ้าอยากได้เคยก็จะเป็นทุกข์ขัง เ, เ, เ, เพราะมันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เห็นมันไปก็ให้มันไปถ้ามันปล่อยให้มันไปไม่อยากให้มันกลับมาเราก็จะไม่ทุกข์ขัง มันได้เลยมีอีกคำถามจากคุณกยเศรษฐ์ค่ะทำอย่างไรไม่ให้กิเลสครอบงำจิตครับอ่าเมื่อกี้ถามแล้วไงก็ให้ใช้พุโทโธพุโทโธให้ฝึกสติอยู่มากๆแล้วกิเลสก็จะเข้ามาครอบงำไม่ได้แล้วถ้าฝึกสติได้แล้วก็ให้ฝึกปัญญาต่อให้พิจารณาทุกอย่างที่กิเลสต้องการว่าเป็นไตรลักษ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วรับรองได้ว่ากิเลสจะไม่เข้ามาครอบงาใจเราอีกต่อไปอย่างถาวนหมดแล้วเลยหมดแล้วจ้ะค่ะมีใครอยากจะถามม้างไหมในนี้มีไหมไม่มีอ่ะไม่มีก้าวแค่นี้ก่อนนะ